أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونسعينه و ن س و ن غ ف ر ونسحدي ت ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا م د ل ل ه وما يدلله فلا ه ا د ل ه اللهم الح لك الحمد حتى ت ر ض ى ولك الحمد إذا رديت ولك الحمد بعد الرضا سبحان الله و بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة أرشه ومداد كلماته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت ظاهر فليس فوقك شيء و أنت الباطن فليس دونك شيء وأشهد والله ا إله إلا الله و, إ, الأ آ, د د ا, و ا د أ ه لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن نبينا م ح م د ا عبده ورسوله لقد أدى الأمانة وبرق الرسالة و ج ا ه د في الل د ه الله حقه هذه فجزاه الله كما جزا ا نبينا أمةه สวัววมมสดีครับทายพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับแล้วก็พี่น้องทักเข้ามาคุณลักษณสลา ม, มาก็วลคุมสุรามุตุลลอหวบรากาตวเช่นเดียวกับพี่สลานะครับก็สลา ม, มาก็เช่นเดียวกันก็คือวาริคุมสุรามวบรากตุลลอวบรากาตวพาสุบานุตาได้สรงกาวไว้ในอัลกุรอานในสุระของพระ อ, องค์ในสุระที่90อัลบลดอลมนจล ล่ะหู عين عين ولسانه و ش ف ت ا وهديناه النجدين ทีนี้ที่รักเพียงครับพะอ์ลสุบฮานุอัตตาในคำพิอัลกุรานของพระค์นั้นเป็นคําพูดที่ว่าใช้คําพูดที่เรียบง่ายกระชับได้ใจความแล้วก็สื่อถึงความหมายที่มากมายแล้วก็ในคำพิอัลกุรานนั้นพระองค์ได้สั่งใช้ให้พวกเราทําการไขขวนให้มากๆเพราะอัลกุรานในทุกอายะ พี่น้องครับไม่ว่าเราจะทบทวนกี่ครั้งกี่ครั้งจะอ่านกี่รอบกี่รอบกี่รอบฮิกมาที่ออลวอสจะให้พวกเราได้รับนั้นมันยังมีมากมายเช่นเดียวกับอายกักขุลาณนี้ครับพี่น้องบางท่านอาจจะบอกว่าอายกักขุลาณนี้ทําไมเราอยู่กันนานจังเลยพี่น้องครับจริงๆอายกักขุลาณแต่และอายะก็อยากอยู่กันานานอยากจะพูดคุยกันานานเพราะว่ามีประเด็นมีความลึกซึง้งมีฮิกมามีข้อดีมีอะไรที่เราจะได้เรียนรู้จากอักขุลาณ น, นั้นช่างมากมายเหลือเกิน เพราะนั้นช่างน่าแปลกประหลาดเหลือเกินสำหรับผู้ที่ว่าเขาชอบจะเร่งรีบอ่านอัลกุรอานให้จบไปไวทั้งๆที่ว่าเป้าหมายที่สําคัญสูงสุดของอัลกุรอานนั้นคือมีไว้เพื่อให้ได้ไขขวนเพื่อให้ได้ประโยชน์กับพวกเราในการดำเนินชีวิตอัลกุรอานนี้เช่นเดียวกันครับพเพราะก่าวว่าครับอัลลัมนะจัลละหูไอไนน์เพราะว่าไม่ใช่ผู้ที่ทําให้เขามีตาสองข้างกันนั้นหรือวาลิซานุวัชชัฟไตแล้วไม่ใช่ผู้ทวายเขานั้นมีลิ้นแล้วก็มีปากกันนั้นหรือนี่คือเนี่ยมากความปวดปาน ความเมตตาสูงสุดที่พโม ว, า, วาสุภะตราให้กับพวกเราทุกคนจะเป็นมสุสลิมหรือจะเป็นกาเฟสเขานั้นมีตาสองข้างไว้ใช้ประโยชน์แล้วเขาก็มีลิ้นที่ได้ใช้ประโยชน์ต่างๆนานามากมายแล้วก็มีลิ้นฟีปากที่ว่าใช้ป้องกันลิ้นแล้วก็ใช้ในการระงับดินพี่นักขี่รักยิ่งครับเราพูดคุยกันไปเมื่อตอนที่แล้วถึงความสําคัญความจําเป็นในเรื่องของการที่เรานั้นต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้คําพูด พี่น้องที่รักทีิงครับคำพูดก่อนที่เราจะพูดเราเป็นนายมันแต่เมื่อเราพูดไปแล้วมันจะกลับกายมาเป็นนายเราซึ่งปาสิทิ์อาลลัคก็บอกว่าคำพูดคนน่ะเวลาเราพูดไปก็เหมือนกับธนูที่ว่าเมื่อมันหลุดออกไปแล้วมันก็จะไปถึงเป้าถ้าเป้าเป็นสิ่งที่ดีอัลฮามรลแลผลที่ตามมาอัลลอฮ์เมตตาแต่ถ้าเกิดเป้าที่มันยิงไปเป็นสิ่งที่ไม่ดีผลที่ตามมาก็อาจจะลําบากตั้งแต่ในดุลยาเราได้พูดกันแล้วว่าการพูดดีนั้นเป็นหนึ่งในสิ่งที่แสดงถึงตัวตนของเรา พี่น้องที่รักครับตัวตนของเราพี่น้องสังเกตดูเวลาพี่น้องตกใจพี่น้องอุทานอย่างไรหรือเวลาที่เราควบคุมอารมณ์โกรธไม่ได้คําพูดของเราเป็นอย่างไรอันนั้นเป็นอีกหนึ่งที่แสดงถึงตัวตนของเราซึ่งเราพัฒนาได้คือการพูดคุยเราเราไม่ได้มีเป้าหมายว่าจะทําให้ใครรู้สึกเจ็บช้ําหรือว่าเป็นการาย้ําหรือว่าซ้ําเติมกับใครผู้ใดทั้งสิ้นแต่ว่าเราต้องการจะพัฒนาตนเพราะาด้วยกับอัลกรุรอาน เอาละอาจดับมาดูในกุรานที่เราเก่าไว้ก็คือทำไมไม่ค่อยควรคุรอานล่ะเพราะมันจะเป็นประโยชน์ให้กับพวกเราเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักยิ่งครับมันพัฒนาได้พวกเราทุกคนต้อสามารถพัฒนาตัวตนของเราได้สิ่งแรกที่เราควรจะเริ่มคือเรื่องของการใช้คําพูดวันนี้ที่อยากจะมาคุยกันครับก็คือข้อดีของการใช้คําพูดครับพี่น้องถ้าเราดูในหน้าประวัติศาสตร์ครับจะมีความดีงามที่เกิดขึ้นในเรื่องเดียวกันถ้าพี่น้องสังเกตดูเรื่องเดียวกันแต่การเลือกใช้คําพูดนั้นสําคัญมาก บางทีเป้าหมายเดียวกันแต่เลือกใช้คําพูดที่ผิดก็เป็นการบล็อกไม่ให้เขารับบางทีเมื่อใช้คําพูดที่แบบว่าเปลี่ยนไปนิดเดียวเป้าหมายเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยแต่ทําไมคนฟังถึงฟังได้พี่น้องอาจจะเคยรับฟังครับบางทีเวลาเราฟังเรื่องศาสนาบางทีผู้รู้พูดเหมือนกันฮดริสโตบทเดียวกันแต่บางทีบางท่านพอเราฟังปู๊รู้สึกสบายใจรู้สึกอิ่มเ อ, อิบรู้สึกว่าได้สาระถึงแม้ว่าอะยักุรานั้นเราฟังปุ๊บเรากําลังเป็นฝ่ายผิด แต่พอเราฟังปุ๊บเอาล้อเมตตาเอาล้อใจดีเอาล้ออย่างนั้นเอาล้ออย่างนี้แลาต้อกลับรู้สึกว่าฉันยังเตาบาได้ในขณะที่บางทีเราฟังจากบานท่านอาจะรู้สึกว่าในฉันแย่เหลือเกิ น, ฉนเฉลียวร้ายเหลือเกินนี่ฉันไม่มีทางดีแล้วใช่ไหมฉันไม่เตาบาแล้วฉันไปทงางอื่นดีกว่าคําพูดมีผลเรื่องเดียวกันคําพูดมีผลอย่างมากเพราะนั้นพี่น้องที่รักนางศิษย์ตัวผมกับพี่น้องทุกท่านอย่าคิดว่าเมื่อเราถูกแล้วเราจะพูดอะไรก็ได้ เราจะพูดโดยที่ไม่ต้องคำนึงถึงคนฟังยังไงก็ได้ท่านอาลีระยอลวันหัวครับได้พูดไว้ครับว่ากาลิมุนัสบีมายากินเวลาจะพูดกับมนุษย์เน่ยพูดในสิ่งที่เขาเข้าใจอย่าไปเน้นว่าความสะใจเราหรือความถูกต้องไปยัดเยียดเอาไม่เอาสุดหน้าใช่ไหยเนี่ยมันเป็นพวกเล่อมันเป็นบิดอาร์มัเป็นกาเฟตเป็เลอะยัดเยียดไปก่อนถ้าเราเอาอารมณ์ไปปุ๊บต่อให้คนผิดเขาก็ต้องรู้สึกอยากเอาอารมณ์มาโต้กับเรา มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ครับไม่มีใครที่ชอบถูกหลาถูกว่าบางทีเรายอมรับว่าเราผิดแต่ว่าพอโดนแรงแมามันก็รู้สึกเหมือนกับว่าฉันรับไม่ได้แต่บางทีพอเจอแบบว่ารูปแบบเปลี่ยนรูปแบบไปนิดนึงเรายอมรับว่าเราผิดจริงแล้วเราก็พร้อมจะต่อบบาเพราะฉะนั้นเรามาดูในหน้าประวัติศาสตร์ครับว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างเกี่ยวกับเรื่องของผลจากการพูดดีก่อนจะไปในเรื่องของหน้าประวัติศาสตร์มีฮะดีสที่อยากจะมาชวนคุยกันพี่น้องที่รักยี่งครับ จากท่านอับดุลลาบินอุมารยยุลละฮุอันฮูมาครับท่านนบีมศลุสลลฮฺอิสลามได้กล่าวไว้ครับว่าอับุนนาซีอิลลอฮอังฟะอุมฮาลิสแบบนี้เป็นฮาดิสกระชับใช้คำที่กระชับแล้วก็เป็นประเด็นที่พวกเราน่าจะได้ประโยชน์กันพวกเราได้ให้ท่านนบีมศลุสลลสอนพวกเราไว้ครับว่าคาสอนของอิสลามนั้นสอนว่าคนที่ดีที่สุดคนที่เป็นที่รักที่สุดสำหรับอัลล็พี่น้องประเด็นสาคัญ ฮะดิษมันมีใช้คําว่าอะไรคนที่เป็นที่รักที่สุดสําหรับอัลลอฮ์มันสาคัญตรงไหนครับเป้าหมายตลอดชีวิตของพวกเราทุกคนคือสิ่งนี้แหละถูกไหมครับเป้าหมายตลอดชีวิตของพวกเราที่พวกเรากล่าวในคุรานว่ามาคอรักตุนจินนะว่าอินซาอินลาลียะบุดุนเราไม่ได้สร้างยินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดไม่มีเหตุผลใดเลยนอกจากเพื่อให้มนุษย์กับยินทําให้อัลลอฮ์พอใจทําให้อัลลอฮ์รักเพราะนั้นฮะดีษวันี้กําลังบอกครับสิ่งที่ว่าบุคคลที่อัลลอฮ์รักมากที่สุดคือใคร เราจะได้ปักหมุดไว้เลยนี่ไงสิ่งที่ฉันต้องไปให้ถึงท่านอับดุลเบี๋ยมอัลสลัยสลามบอกในริสแบบนี้ครับว่าบุคคลที่เอาละรักมากที่สุดคือบุคคลที่เป็นประโยชน์กับผู้อื่นมากที่สุดสุบานอัลลอฮ์นี่คือศาสนาอิสลามศาสนาที่ในเรื่องของความเมตตาการช่วยเหลือกันนี่คือคนที่เอาละรักมากที่สุดคนที่ยังประโยชน์กับผู้อื่นบางท่านอาจจะบอกว่าคนยังประโยชน์มีเยอะแยะมุสลิมไม่ใช่มุสลิมมากมายที่ว่าอาจจะเป็นองค์กรการกุศลทําความดีอย่างนั้นทำความดีอย่างนี้ ยังประโยชน์กับมนุษย์มีเยอะพี่น้องที่รักอย่าลืมเราย้ำกันเป็นประจำเงื่อนไขของสิ่งที่ทําแล้วอัลลอฮ์รักการงานนั้นต้องมีเจตนาว่าอยากให้อัลลอฮ์รักคือถ้าแค่ ท, ทําำเฉยๆอยากช่วยเขาก็เลยช่วยอยากทําก็เลย ท, ทําำเฉยๆขาดเงื่อนไขที่สําคัญคืออยากให้อัลลอฮ์รักเพราะนั้นพี่น้องตั้งแต่นี้ไปต้นไปถ้าเราจะทำดีกับใครอย่าลืมพี่น้องต้องขำหมดเจตนาคุยกับตัวเองให้ดีว่าเราอยากให้อัลลอฮ์รักเราเราก็เลยยิ่งอยากทําสิ่งนั้น ถ้าพี่น้องมีเจตนาแบบนี้ครับเขาจะตอบโต้อย่างไงพี่น้องจะสบายใจแล้ ว, ลวเราจะมีความสงบเพราะนั้นคนที่อัลลอ์รักมากที่สุดก็คือคนที่ยังประโยชน์กับมนุษย์มากที่สุดโดยที่เขาต้องมีเจตนาบริสุทธิ์ใจว่าอยากให้อัลลอฮ์รักแล้วก็ต้องใช้รูปแบบที่ทำให้อัลลอฮ์รักไม่ใช่ยังประโยชน์โอเคไปช่วยให้เขาทำสิ่งที่ฮารอมอันนี้ไม่ใช่ยังประโยชน์อันนี้ให้โทษอันนี้ให้โทษบางที อาจจะไปช่วยซื้อของที่ฮารอมมาหรือช่วยพาไปสถานที่ที่ฮารอมทั้งหมดนั้นล้วนไม่ใช่อย่างประโยชน์เรียกว่าเป็นการให้โทษเรียกว่าเป็นการให้โทษฮะริสท่านนบีพูดต่อครับว่าอาฮั บ, บุลอามัลอิลลอหอัสซาวะจัลสุรุรุนตูดคิลูฮูอัลามุสลิมซุบฮานัลลอฮพี่น้องครับท่านนบีนะฮิสบทนี้บอกครับว่าการงานที่อัลลอฮ์รักมากที่สุดหนึ่งในการงานที่อัลลอฮ์รักมากที่สุดคืออะไรครับสุรุรุน คือความสุขที่เราทำให้เกิดขึ้นในหัวใจของพี่น้องของเราสุบา น, นะวะหมายความอพี่น้องเจอคนกำลังทุกข์แล้วพี่น้องไปปลอบเขาให้เขามีความสุขท่านบิบบอกนี่แหละคือหนึ่งในการงานที่อเาลาะรักมากที่สุดหรือพี่น้องเวลาเจอใครพู๊พี่น้องก็พูดแต่สิ่งที่ดีไม่เอาเรื่องคิดเครียดไปให้เขาฟังพยายามทำให้เขามองชีวิตในด้านที่บวกหรือว่าเป็นการที่แบบเป็นการสอนที่ให้มีความรู้ทาให้เขาสามารถ มีชวิตดําเนินต่อไปได้หรือบางทีคนอาจบางคนอาจยากฆ่าตัวตายพี่น้องก็ใาจจะอาจจะไปคุยกับเขาเจระทั่งว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากจะฆ่าตัวตายกับอีกหลายหายปัญหาครับท่าน อ, อับดุลเลาะห์สุลลาะของอะไรสลัมบอกว่าไงนะครับการงานที่อัลลอฮ์รักมากที่สุดคือการที่คุณให้หัวใจของพี่น้องของคุณนั้นมีความสุขนี่คือการงานที่อัลลอฮ์รักมากที่สุดหนึ่งในการงานที่อัลลอฮ์รักมากที่สุดอีกการงานคืออะไรครับอันแรกท่านอบีบอกว่าให้พี่น้องของเรามีความสุขในรูปแบบที่ฮาราเน่นอน อันที่2ครับช่วยปัดเป่าความลําบากของเขาเราอาจจะรู้ว่าคนนี้กำลังลําบากด้วยเรื่องสักอย่างเขาอาจจะไม่มีอาหารกินหรืออะไรก็ตามหรือเราอาจจะมองหรือยึดถือว่าเขาสงสารพี่น้องที่รักบางทีที่เราไม่ได้คิดอะไรมากมันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่สําหรับใครสักคนในริสต์นี้แปะครบ4อย่างก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูอันแรกพวกเราบอกที่ท่านอบีบอกไว้ก็คือการที่เราทําให้ใครสักคนนั้นมีความสุขอันที่2ก็คือทําให้เขานั้นผ่าน เหตุการณ์ที่ยากลาบากในชีวิตของเขาอันที่สก็คือช่วยชดใช้นี่สินให้กับเขาอันที่4ี่ก็คือช่วยทําให้เขานั้นรอดพ้นจากความหงอยห้อยสีอย่างเป็นการงานที่ทําให้เพื่อนมนุษย์ทั้งสิ้นเลยในริสบุญนี้ท่านนบีวัซ์รอฮซัมไม่ได้พูดถึงอิบาร์ด้หลักๆอย่างการละหมาดซึ่งการละหมาดชัดเจนอยู่แล้วเป็นเสาหลักเป็นวายิบห้ามทิ้งอยู่แล้วถ้าใครทิ้งการละหมาดต่อให้ทําดีกับพี่น้องต่อให้อะไรปุ๊บสอบไม่ผ่านเพราะเงื่อนไขที่สําคัญที่สุดคือละหมาด แต่ตอนนี้ก็กำลังพูดถึงการงานที่ว่าเป็นฟาดอเอนที่ว่าเป็นส่วนเสริมที่เป็นการงานที่อลอรักมากที่สุดย้ํานะครับไม่ใช่หมายความว่าพี่น้องบางคนฟังคดีส่วนนี้ปุ๊บออฉันไม่ต้องละหมาดฉันไม่ต้องจ่ายสกัฉันทําแค่นี้ก็พอใช่ไหมไม่พอคนละส่วนคนละส่วนกันประเด็นที่อยากคุยครับบางทีอย่างเรื่องการให้อาหารบางทีเรื่องง่ายๆแล้วเราไม่ได้คิดอะไรมากครับผมผมเคยมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับพี่น้องหลายๆท่านบางท่านก็บอกเขาก็ไม่ได้คิดอะไรอย่างช่วงเดือนระมาดอนไม่ได้คิดอะไรมากเขาก็ ทำอาหารไปแจกจ่ายเพื่อนบ้านแจกจ่ายคนที่ใกล้ชิดแล้วเขามารู้ทีหลังว่ามีครอบครัวหนึ่งที่เขาเอาหารไปแขวนนะ่ครอบครัวนั้นทั้งครอบครัวกำลังคิดกันว่าคงต้องลาสนอ ด, ดด้วยกับน้าเปล่าคือไม่มีอะไรกินจริงๆแล้วก็ไม่ได้ไปพูดให้ใครรู้คือพี่น้องครับมีคนเดือดร้อนเป็นจานวนไม่น้อยที่ว่าเขาไม่ได้เปิดเผยความทุกข์ของเขาให้ใครรู้ ความทุกข์ของเขาอยู่ระหว่างเขากับอัลลอฮ์คนประเภทนี้แหะครับเป็นหนึ่งในกลุ่มที่เราสมควรให้ความช่วยเหลือมากที่สุดพวกเรากล่าวในกุรานถึงคนกลุ่มนี้ว่าลายซาลูนเนนะอิลฮาฟาเขาจะไม่ขอผู้คนแบบตื้อแล้วตื้ออีกมาช่วยนะช่วยเธอหนะ้นาในบางจริงเลยนะช่วยเธอช่วยเธอคือคนเดือดร้อนมีหลายรูปแบบแต่คนรบบเดือดร้อนที่พวกละบอกว่าในกุรานว่ามุสลิมเราควรให้ความช่วยเหลือมากที่สุด ไม่ใช่ว่าห้ามช่วยคนอื่นนะคนอื่นก็ช่วยได้แต่คนที่เราควรให้ความช่วยเหลือมากที่สุดคือคนที่ไม่ขออะไรมากทั้งๆ ท, ท, ที่เขาก็เดือดร้อนผัวล้อเกล่าในกุฎอ่านครับบรรดาพวกโนกเขาจะคิดว่าคนเหล่านี้เป็นคนรวยด้วยซ้ําโอ้คนนี้มันคนรวยนะชีวิตไม่มีความทุกข์อะไรเลยแนละ้วโอ้ชีวิตดีสะดวสบายทั้งๆ ท, ที่เขาอาจจะเดือดร้อนแสนสาหัสแบบที่เคสที่ผมบอกก็คือข้าวกินไม่มีจะระชืินอดคือไม่มีอะไรกินแล้วก็พอมีอาหารมาแขวนปุ๊บเขาก็รีบรับไปแล้วก็ไปร้องไห้อยู่หลังประตู ไม่ให้ใครดูด้วยเป็นน้ําตาที่ขอบคุณอัลลอฮ์เป็นน้ําตาที่ขอบคุณคนที่เอามาให้โดยที่คนที่เอามาให้ก็ไม่รู้ด้วยซ้ําว่าอาหารนี้มันมีค่าแค่ไหนสําหรับคนที่ได้รับความช่วยเหลือพี่น้องที่รักครับในฮะดิษหมืนนี้ท่านนบีมุสลิมได้พูดไว้นี่คือการงานที่อัลลอฮ์รักมากที่สุดเพราะนั้นอะไรที่มันง่ายๆที่เราช่วยเหลือกันได้พยายามช่วยเหลือใครมีหนี้สินแล้วพอจะปลด เรื่องให้เขาได้เราอาจจะเป็นเจ้านี่เรารู้ว่าเขาเป็นคนดีจริงๆแต่เขาลําบากจริงๆอย่างเศรษฐกิจช่วงนี้มันยากมันบางจริงแล้วก็บอกฉันพอจะอยู่ได้ไม่เป็นไรนี่สินนี้เพื่ออัลลอฮ์ฉันยกให้เธอเธอไม่ต้องมาชดใช้แล้วถ้าทําได้อัลฮัมดุลิลละหรืออาจจะช่วยประวิงเวลาเอาโอเคฉันเลื่อนให้นะสองเดือนหรือบางคนอาจจะมีบ้านเช่ามีหอเช่าอ่าช่วงนี้เธอเหมือนไปก่อนฉันให้พักเธอฟรีอาจจะหวันสิวันอะไรก็ว่ากันไปเป็นการช่วยเหลือโดยมีเจตนาว่าเพื่อให้อัลลอฮ์รักนี่เป็นหนึ่งในการงานที่อัลลอฮ์รักมากที่สุดใหห้อาาารเข ช่วยชดใช้นี่สีใหแกเขาให้เขานั้นผ่านช่วงลําบากของชีวิตของเขาไปได้หรือว่าทําให้เขามีความสุขเพราะฉะนั้นท่านนบีมุสลรริมจึงบอกว่าไงครับแล้วถเกีรันเนีมิลลมาอัรูฟันชยัยว่าาอันตัลกออควก็บิว่าชินตัลกินอีกสแสดงงั้นครึง่งนึงคือบิว่ชินตัลีกินนั่นคือใครมอมุสลิมพวกท่านอย่าได้ดูถูกเด็ดขาดนะความดีแม้แต่อย่างเดียวแม้แต่การที่คุณจะไปเจอพี่น้องของคุณแล้วคุมยิ้มให้เขาอย่าดูถูกนะเพราะใครจะไปรู้ครับวันนั้นทั้งวัน สำหรับคนคนนั้นอาจจะเป็นวันที่แย่ที่สุดสำหรับเขาอาจจะเป็นวันที่เขารู้สึกเลวร้วายรู้สึกไม่ดีรู้สึกอะไรแต่บางที่พอเห็นรอยยิ้มปุ๊บเขาก็รู้สึกใจชืนขึ้นมาอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรมากแต่แค่รอยยิ้มท่านนบีก็บอกว่าอย่าได้ดูถูกเพราะถ้ามันทำให้เขามีความสุขมันก็ทาให้อารอารักถ้ามันทาให้เขามีความสุขมันก็ทาให้อารอารัก พี่น้องที่รักยิ่งครับท่านนาบีมสฮัมมัด um สุลต่าได้พูดต่อครับว่าวา لي أن أمشي مع أكي ا ل ิน ل م ي ن ف ม حاجاتين أ ินอ إ ل أ ي ا من أن أ ت ม ف في المسجد شهرون سبحان الله ท่านนบีมูฮัมหมัดสุลต่านบอกว่าการที่ฉันจะได้ไปเป็นเพื่อนพี่น้องมุสลิมทั้งคนเพื่อไปจัดการธุระของเขาเนี่ยที่เขาเดือดร้อนที่เขาจาเป็น ฉันไปช่วยเขาไปกับเขาเนี่ยเป็นที่รักสําหรับฉันยิ่งกว่าการเอติกรารในมสัสยิดทั้งเดือนซะอีกเอติกรารอิบาดะที่อลัลลอฮ์รักเป็นการขัดเกลาจิตใจเป็นหนึ่งในอิบาดะที่ท่านนบีมุสลิมสลัมไม่เคยทิ้งเลยในเดือนรอมฎอนอย่างน้อยที่สุด10บวันสุดท้ายท่านนบีต้องเอติกราร์บที่มสัสยิดแต่ท่านนบีมุสลิมสลัมบอกต่อให้เอติกรารบทั้งเดือนท่านก็รักที่จะไปช่วยเหลือเป็นเพื่อนใครสักคนเพื่อให้เขาผ่านอุปสรรคของเขาได้ นี่คือความรักความเมตตาที่ว่าอิสลามสอนมุสลิมว่าถ้าอยากได้รักความรักคุณก็ต้องมอบความรักอยากได้รับสิ่งที่ดีงามคุณก็ต้องมอบสิ่งที่ดีงามก่อนในริสบทนี้ครับท่านอบีมุสลิมบอกว่าไงครับว่ามันกาฟะรอดาบุรอดาบาหูเซตรอร์ล้ออัลรอต้าหูประเด็นนี้สําคัญมากครับสิ่งที่พี่น้องมุสลิมพวกเรารวมทั้งตัวผมเองที่เป็นปัญหาของพวกเราทุกคนมากที่สุดก็คือปกติตอนที่เรามีสติเราพอจะควบคุณตัวเองได้ แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราโกรธบางทีมันยากเลยเกินที่จะควบคุมอาจจะโกรธกับลูกโกรธกับครอบครัวโกรธกับคู่ครองกับบางทีพ่อแม่บางทีเพื่อนบางทีอาจจะเป็นคู่ค้าบางครั้งเราจะพบว่ายิ่งใกล้ชิดเท่าไหร่ยิ่งยากที่จะควบคุมความโกรธในบางเคสเพราะนั่นมันจึงไม่แปลกที่ว่าเรื่องของตบตีภรรยาประเทศไทยก็ติดอันดับหนึ่งของโลกเหมือนกัน เรื่องลงมือลงไม้ในครอบครัวหรือว่าอะไรเพราะว่าพอมีความโกรธแล้วไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ในริสวนนี้ท่านอบีบอกว่าใครก็ตามที่เขาระ ง, งับความโกรธของเขาได้คือความโกรธเวลามันเกิดเป็นเรื่องปกติระ ง, งับในที่นี้หมายความว่าไม่ให้มันออกมาเป็นพฤติกรรมไม่ให้มันออกมาเป็นการลงไม้ลงมือไม่ให้มันออกมาเป็นคําพูดที่ไม่ดีท่านอบีวิษณุบอกว่าไงครับซัตตรลอเอาละตาหูเพรวกเอาล้อจะปกปิดเรื่องหน้าละอายของเขาพี่น้องที่รักมี เหตุการณ์เป็นจํานวนมากมายมหาศาลตัวอย่างที่มีรอบชีวิตของพี่น้องผมมั่นใจครับคนรอบข้างหรืออะไรก็ตามแต่พี่น้องลองไปดูครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่สามารถควบคุมความโกรธได้เมื่อนั้นสิ่งที่ม่ดีของเราจะถูกเปิดเผยมาหมดพี่น้องเคยสังเกตไหมบางคนพี่น้องดูคนคนนี้เป็นคนดีน่ก็ดูน่าจะดีนะน่าจะแบบนี้แต่พอเขาโกรธเขาหลุดมาปุ๊บบางทีเขาทําพฤติกรรมที่ว่ปกติเขาไม่ได้ทําแล้วเราก็ไม่คิดว่าเขาจะทํา แต่เพราะเขาควบคุมไม่ได้ปุ๊บผู้อาวุโสก็เลยเปิดเผยส่วนที่น่ารังเกียจของเขาออกมาท่านอับดุลีมสลต่านว่าใครก็ตามที่ระ ง, งับความโกรธไม่มาแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมได้อั All ลลอฮ์ก็จะปกปิดเรื่องที่น่ารังเกียจหลายเหตุการณ์หลายครั้งผมมั่นใจว่าแต่ละท่านก็เคยบางทีเรื่องบางเรื่องเราก็โกรธแต่เราก็เงียบไว้เราก็อดทนแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรแต่ผลก็คือพอเวลาผ่านไปแล้วยิ่งมาขอบคุณพู้อาวุโสว่าอัลรัมดีละดีนะที่เราไม่แสดงความโกรธออกไป เพราะบางทีถ้าแสดงออกไปผลมันอาจจะเสียกว่านั้นผลมันอาจจะแย่กว่านั้นมาจจะเรื่องบางอย่างมันอาจจะแก้ไขไม่ได้พี่น้องครับผลเสียที่เกิดจากการที่ไม่สามารถควบคุมความโกรธหลายหเรื่องอัไรทำดีแล้วมันแก้ไขได้แต่มันก็มีบางเรื่องที่ว่าเวลาก็เหี่ยวยาไม่ได้อะไรก็ไม่สามารถรักษาได้เหมือนความสัมพันธ์บางอย่างถ้ามันจบก็จบไปเลยถ้ามันขาดก็ขาดไปเลยถ้ามันร้าวฉานไปแล้วมันก็แทบจะเป็นไปไม่ได้ที่มันจะคืนดี เพราะนั้นท่านนบีมศลสลมจึงเตือนว่าใครก็ตามนะ ง, งับความโกรธของเขาได้พระอัลล์ก็จะปกปิดเรื่องที่น่ารังเกียจของเขาว่ามันกื อ, อ, อยยด้ย ม, ามาวายัดอไมมว่าพระหัวใจองเขมีามาาพี่น้องที่รักท่านนบีมศลสลมได้พูดต่อนะครับว่าแล้วใครก็ตามนะที่เขาปกปิดความโกรธของตนเองได้ปกปิดความโกรธ ในที่นี้ก็คือพฤติกรรมที่จดตามมาด้วยกับพฤติกรรมที่เลวร้ยรายต่างๆท่านอบิ ว, ว่าใครก็ตามที่เขาสามารถปกปิดสิ่งเหล่านี้ได้ซึ่งเขารู้ตัวเลยว่าถ้าเขาจะลงมือทําอะไรสักอย่างมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาบางทีเวลาเราโกรธลราจะจอลเลมแต่ในริสบทนี้คือโกรธแล้วเราทําในสิ่งที่ว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของเราบางทีอาจจะตีสั่งสอนบางทีอาจจะอะไรที่ว่ามันยังอยู่ในขอบเขตที่เราทําได้ที่สลามอนุมัต อย่างเช่นถ้เกิดในกรณีเรื่องของทีซอสในเรื่องของอาจจะมีใครมาชกเราให้เลือดออกเราสามารถมีสิทธิที่ว่าให้ศาลให้เขาเลือดออกเหมือนกับที่เราเลือดออกถ้าเราฟันร่วงหนึ่งซี่เราสามารถให้ศาลบังคับให้เขาต้องถอนฟันให้ร่วงหนึ่งซี่เหมือนกับเราอันนี้คือสิทธิแต่ท่านอับดุลเบี๊ยงมัสซัลัมบอกในฮะริสบทนี้เขาว่าใครก็ตามที่ว่าทาั้งๆที่เขามีความสามารถจะลงมือลงไม้ได้แต่เขาเลือกที่จะไม่ลงมือลงไม้ ท่านอบดุลบีรรมาบอกว่าไงครับเอาวะใช้หัวใจของเขาเต็มไปด้วยความพึงพอใจในโลกหน้าโลกที่ว่าจะมีแต่ความหวาดกลัวโลกที่จะมีแต่ความน่าสะพึงกลัวโลกที่จะมีแต่ความเศร้าความเสียใจความทุกข์สิ่งที่หัวใจเลือกรองที่สุดตอนฟื้นคืนชีพคือความพึงพอใจอยากให้มั่นใจว่าปลอดภัยท่านอับดุลเบียร์มัสเตลามบอกว่าใครก็ตามที่โกรธแล้วก็เขาสามารถลงมือลงไม้ได้ลงมือในภาคปฏิบัติได้แต่เขาเลือกที่จะละทิ้งมัน เพราะหวังสิ่งที่ดีกว่านั้นหวังให้อลลอฮ์รักหวังที่ว่าจะเกิดการคืนดีการปริปนอมที่มันดีกว่านั้นท่านนาบีบอกว่าโลกหน้านั้นเขาจะมีแต่ความพึงพอใจซุบฮานละวะมันม่ช่มาอาคีมุสลิมฟีฮาเจตีฮี حت ะยุสบิตะฮูเอายุสบิตฮูเลห์อสลตะละาเยาอมะตาซิลอัคเดมแล้วใครก็ตามที่เดินไปกับพี่น้องของเขาอะนะ เดินไปกับพี่น้องเพื่อไปให้ความช่วยเหลือในปัญหาในอุปสรรคที่เขามีอัศบะตออัศบะตอรอหูจ่าล้ก็ได้หมดเขาเดินไปเป็นเพื่อนเขาเราไปอยู่กับเขาจนกระทั่งว่าปัญหาเขาผ่านพ้นไปได้แล้วท่านอบีบอกว่าในโลกหน้าในวันที่ทุกเท้าเนี่ยและสัมระสายคือเท้าไม่รู้จะเดินไปตรงไหนนี้จะทําอะไรยังไงดีในวันนั้นพวกเราเลาะใช้เท้าของเรามีความหนักแน่นมั่นคงก็คือยืนแบบมั่นคงรอการสอบสวนของพวกเรารอสิ่งที่จะ เกิดกับเราด้วยกับหัวใจที่สงบวะอินซูอัลโคลุกลายุบซิดุลอาม็กะมายุซิดุลคอลอัลประเด็นนี้น่าสนใจนะพี่น้องท่านบับดลียลมบอกว่าแล้วคนที่มีตัวตนที่เลวซามมีนิสัยที่เลวซามก็คือมารยาทก็ไม่ดีคาพูดก็เลวร้ประเด็นที่เรากาลังคุยกันตรงนี้อยู่ในช่วงท้ายของอดบ น, นี้ด้วยท่านบบีบอกว่าใครก็ตามที่มีนิสัยตัวตนที่เลวซราม นิสัยและตัวตนที่เลวทรามนั้นจะไปทำลายสิ่งที่เขาทำต่อให้เขาทำความดีต่อให้เขาทำอามันต่อให้เขาทำสิ่งที่เลวร้าแค่ไหนก็ตามท่านอาบีบอกว่าพฤติกรรมที่ทรามนั้นจะไปทำลายการงานที่ดีเหมือนกับที่น้ำพึ่งมันทำลายเหมือนกับที่น้ำพึ่งนั้นถูกทำลายด้วยกับน้ำส้มสายชูพี่น้องที่รักยิ่งครับน้ำพึ่งอย่างที่เรารู้ก็คือถ้าเกิดเก็บไว้ดีๆนะพี่น้อง จนที่เลวซามนั้นจะไปทำลายสิ่งน้ำผึ้งเนี่ยถ้าเกิดเก็บไว้ดีๆอ่าพี่น้องอยู่ได้เป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนปีบางคนบอกว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่ว่าไม่มีวันเน่าเสียถ้าเกิดถูกเก็บไว้อย่างถูกต้องกี่พันปีก็ไม่เสียน้ําพึ่งแต่ถ้าเกิดว่าน้ําพึ่งไปโดนของเปรี้ยวไปโดนมะนาวไปโดนน้าส้มสายชูแล้วโดนทิ้งไว้อย่างนั้นเสียทันทีท่านอบีบอกว่าเหมือนกันคนที่ทําคุณงามความดีไว้แต่ถ้าเกิดมีมารยาทที่กลักกะ มรยาที่เลวสามมีนิสัยตัวตนที่แย่สิ่งดีๆที่เขาทำมาสำหรับอัลลอฮ์ไรยค่าหมดเลยเพราะนั้นตรงนี้เป็นประเด็นที่เราคุยกันในเรื่องที่บอกว่าตกลงพูดดีเนะี่ยมันได้ผลอะไรประการแรกก็คืออย่างน้อยที่สุดมันก็ทำให้การงานของเราดีขึ้นไปเรื่อยๆฮาริสวันนี้อยู่ในบันทึกของอิบนออบิดุลยาซึ่งเชคอัลบานีบอกว่าเป็นฮริทัสามอยู่ในหนังสือซินเสฮของท่านนะครับผมก็รอยมองอล พินองพิลักอย่างที่เราทราบก็คือตลอดชีวิตของท่านอับดุลมัสล็อห์ของอะไรวะซัลลัมเนี่ยเราเห็นตัวอย่างที่พูดเยอะมากเลยว่าพูดดีแล้วผลที่ตามมามันเกิดอะไรขึ้นพูดแล้วมันได้อะไรมันมีอะไรเกิดขึ้นพูดดีเพื่อหรือว่าเพราะพูดดีเนี่ยมันทําให้เกิดอะไรขึ้นบ้างตัวอย่างเยอะแยะมากมายครับผมไม่เป็นเหตุการณ์ที่ว่ามีสหาบัติที่ว่าเป็นคนชจรบทที่ว่าไม่รู้เรื่องเข้ามาในมสัสยิดแล้วก็ถึงเวลาปุ๊บเขาอยากจะถ่ายเบาเขาก็ถ่ายเบาในมสัสยิดรถในมสัสยิดเลยเพราะ ในสมัยก่อนก็มสัสยิดก็แคบปูเป็นอิฐมาอาจจะมีอะไรคุมเป็นหลังคาแบบง่ายๆพื้นก็เป็นพื้นดินไม่ได้ปูอะไรถึงเวลาอยากถ่ายเขาก็ถ่ายซอบาตแต่ละคนเห็นโกรธสิครับทําให้บ้านของลอล้อเปื้อนแล้วก็เป็นสิทธิ์ที่ซอบาจะต้องโกรธ ด, ด้วยถูกไหมครับใครมาทำบ้านของลอ้อสกปรกแเปื้อนฉี่เลอะได้ยังไงท่านอับดุลเลาะห์สุลต่าครับตอนที่ซอบากำลังไปลุมมะลุมมะตุ้มกับซอบาเท่านั้นอยู่ท่านอบดว่าปล่อยเขาปล่อยเขา เอาน้ำมาแล้วก็มันเปื้อนตรงไหนเทรถล้างตรงนั้นคือตอนนี้มันมีปัญหาใช่ไหมแก้ที่ปัญหาอย่าเพิ่งไปหาว่าใครผิดอย่าเพิ่งไปด่าว่าใครบางทีครับในชีวิตคู่หรือว่าในครอบครัวหรือว่ากับเพื่อนบางทีพอมีปัญหาปุ๊บบางคนก็จะรีบชี้หน้าดา่าแล้วบางคนก็จะรีบด่าว่าจจะสาบแช่งอาจจะอะไรก่อนถ้าปัญหามันมีจัดการปัญหาก่อนหลังจากนั้นจะมาเคลียร์จะมาคุยจะมานาัดสี่ h ก็ค่อยคุยกันต้องเรียงลําดับความสําคัญอย่างตอนเนี้ย มัสสิกของพวกเขาล้อแปดเปื่อนบ้านเขาล้อแปดเพื่อนล้างให้สะอาดก่อนแล้วท่านนบีก็ไม่ได้พูดเลยต่อเลยเพราะท่านนบีถือว่าซอฮบะท่านนั้นก็รู้อยู่แล้วตอนนี้น่าจะรู้แล้วว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีพี่น้องทีละครับด้วยพฤติกรรมที่ท่านนบีมัสเรสเลมพูดดีๆกับซาฮบะท่านนั้นท่านนบีบอกว่าปล่อยเขาอย่าไปทําอะไรเขาอย่าไปทําอันตรายเขาอย่าไปทําให้เขาเจ็บปวดตอนนี้เอาน้ํามาทำความสะอาดมัสสิกซะแล้วก็จบเรื่องกันท่านยบีพูดแค่นี้ ซบาบะท่านนั้นอีกสายรายงานหนึ่งครับบอกว่าซบาบะท่านนั้นขอดวงกับอัลลอฮ์แล้ว่าอัลอลอฮ์โปรดเมตตาฉันกับบุตเมตตานับีแค่2คนก็พอไม่ต้องเมตตาคนอื่นนี่คือคิดแบบแบบคนชนบทคนที่แบบว่าอาจจะไม่มีความรู้อะไรมากเขารู้แต่ว่าตอนเนี้ยเขารู้ว่าเขาทําผิดแล้วเขารู้ว่าตอนเนี้ยเขารักนับีมากเพราะว่าอบีนั้นพูดกับเขาดีๆพฤติกรรมเดียวกันห้ามจากการถ่ายในมัสยิด แต่การตอบโต้ได้กับความรุนแรงกับความตอบโต้ได้กับคําพูดที่แสดงถึงความเข้าอกเข้าใจมันส่งผลต่อหัวใจต่างกันส่งผลต่อหัวใจต่างกันซาบัดถูกเปิดหัวใจด้วยกับความเมตตาขอเลาะผ่านคําพูดที่ดีของละบีเช่นเดียวกับที่ว่ามีไวรุนใช่ไหมครับทีวอยากทำซีนามาหาลบียบอกยาตอสโล ล, ลับบทเมติสตางผมทําได้หมดยกเว้นซีนาให้มันฮาลันสำหรับผมซาบัดที่อยู่ใกล้ๆได้ยินปุ๊บโกรธครับ เปียนฮูกกมของอัลลอฮ์ฮูกกมเป็นกาเฟตันทีตกศาสนาเลยเด็กหนุ่มคนนี้กลับมาข อ, อนบีว่าขอให้การทําซินาเป็นที่ฮาลานสำหรับเข า, ข เ, ขาเขาอยากไปผิดลูกผิดเมียชาวบ้านท่านอับดุลลาห์มัสลัยรำดาไหมว่าไม่ฮุกกมอะไรไหมไอฮุกกมนะ่ยมันชัดเจนมันมีฮุกกมอยู่แล้วเนี่ยเข้าขายเป็นกาเฟตได้เลยแต่สิ่งที่ท่านอับดุลลาห์มัสลายสลัมเลือกพูดเป้าหมายเนะี่ยชัดเจนคือมันไม่ได้ ท่านนบีเลือกพูดเพื่อให้เขาเข้าใจว่ามันไม่ได้ท่านนบีเลือกพูดว่ายัางไงครับท่านนบีมสอเลสลัมเลือกพูดว่าพ่อหนุม่มเธอชอบไหมถ้าเกิดจะมีใครมาทําซีนากับแม่ของเธอวัยรุ่นก็บอกเป็นไปไม่ได้ที่ผมจะชอบผมรับไม่ได้ผมไม่ชอบท่านนบีก็บอกแล้วเธอชอบไหมถ้าจะมีใครมาทำซีนากับน้องของเธอกับพี่ของเธอกับคนใกล้ตัวเธอเด็กหนุม่มเขาต้อก็บอกผมรับไม่ได้ ทนนีมัตเซนก็พูดสั้นๆครว่าสิ่งที่เธอไม่อยากจะให้เกิดขึ้นกับคนอื่นทําไมเธอต้องไปหยิบยื่นมันให้คนอื่นด้วยล่ะสิ่งที่เธอไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นกับตัวเธอเองขอรับสิ่งที่เธอไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นกับตัวเธอเองทําไมเธอถึงจะไปหยิบยื่นมันให้คนอื่นเพราะนี่เมื่อเธอไม่ชอบให้มันเกิดขึ้นกับรครอบครัวเธอก็ไม่มีใครชอบให้มันเกิดขึ้นกับครอบครัวของเขาเอาใจเขามาใส่ใจเราเมื<ค>่อไม่อยากให้เกิดกับครอบครัวเธอแล้วทําไมถึงอยากไปทํากับ อคนอนซาฮาบ้าเด็กหนุ่มท่านนั้นครับเขาบอกว่าไงครับขอซาฮาบ้าต่อผู้ที่แต่งตั้งท่านมาด้วยความจริงด้วยความสัจจริงก่อนจะมาหาท่านเนี่ยซินาเป็นสิ่งที่ฉันอยากทํามากที่สุดแต่ตอนนี้การทําจิน่าเป็นสิ่งที่ฉันเกียดมากที่สุดซุบานอัลลอฮ์ด้วยกับอะไรครับ การให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่ได้ปกปิดท่านอับดุลเบญมุสลัมไม่ได้ปกปิดการปกปิดเป็นฮาลอมครับเรื่องความพูดที่บอกว่าเป็นใช่ตอนใบ้เนี่ยต้องพูดแร้วไม่พูดเนี่ยเป็นฮารอมท่านอับดุลเบญมุสลัมพูดความจริงพูดศัจรย์ธรรมยืนหยัดในสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งใช้แต่รูปแบบที่ท่านยืนยนันท่านยืนยันแบบไหนท่านบอกแบบไหนแล้วทําไมอัลลอฮ์ถึงให้เปิดใจผู้คนได้จากคนที่ลักสีนากลายเป็นคนเกียดสีนาไปเลยเหมือนกับท่านอุมา่านครับตอนที่ท่านยังไม่เข้าใจเรื่องการศรัทธา ท่านมหานาบับด้วยกับหัวใจที่รักนบับดุลเีวก็บอกยาระซุลลอห์ท่านเนี่ยเป็นคนที่ฉันรักมากที่สุดในชีวิตนี้รักเท่ากับที่ฉันรักตัวเองในโลกเนี่ยทุกคนเรารักตัวเองมากที่สุดนี่คือความจริงเอาความจริงมาพูดเรารักตัวเองเราอยากให้ตัวเองมีความสุขเราอยากให้ตัวเองรอดพ้นจากสิ่งที่อันตรายท่านอุมัิไปหานาบีแล้วพูดคําพูดแบบลูกผู้ชายนี้บอกว่ายาระซุลลอห์ในโลกนี้ท่านคือคนที่ฉันรักมากที่สุดรักเท่ากับที่ฉันรักตัวฉันเอง ศรัทธาถือว่าสมบูรณ์ไหมไม่สมบูรณ์ครับหุกลมว่าเป็นกาเฟสได้ไหมอย่างเงี้ยท่านอับดุลเบี๊ย์มัยดซมไม่ได้พูดอะไรมากครับท่านอุมัตเป็นคนที่ฉลาดเป็นชายชาตินักรบท่านอับดุลเบี๊มัดซัมพูดแค่คําเดียวบอกว่าอุมัต ย, ยังไม่ใช่อุมัตยังไม่ใช่นี่แสดงถึงฮิกมัท่านอบีครับท่านอบีเจอใครท่านอบีเลือกพูดในสิ่งที่เขาเข้าใจท่านอับดุลเบี๊ย์มั่นใจว่ากับท่านอุมัตนต่นพูดแค่น ท่านก็นิ่งไปนิดนึงแล้วก็พูดใหม่บอกว่ายาระซุลลอห์ท่านเน่ยเป็นคนที่ฉันรักมากที่สุดในโลกนี้รักมากกว่าที่ฉันรักตัวฉันเองสอีกท่านเบบีมอสลลอวงาลีอสลัมบอกไว้ไครับอัลอานุมัตอัลอานุมัตตอนนี้แหละอุมัตถูกแล้วอันนี้แหละที่มันถูกต้องที่สุดด้วยกับคำพูดที่ดีที่พูดไป แน่นอนครับท่านนบีมุสลิมในช่วงชีวิตของท่านก็มีช่วงที่แบบว่าท่านใช้คําพูดที่รุนแรงแต่ไม่ใช่คําพูดที่หยาบคายพี่นังต้งแยกให้ออกนะคำพูดรุนแรงกับหยาบคายแล้วพูดรุนแรงสําหรับคนที่เป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนคนที่เมตตาตลอดกับคนที่ตัวตนเป็นคนกักขระหยาบคายแล้วทําสิ่งที่รุนแรงมันไม่เหมือนกันถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่กุฟฟาที่เป็นศัตรูของอัลลอฮ์ศัตรูของระซูลที่เกียดชังอัลลอฮ์เกียดชังระซูน แล้วก็ทําพฤติกรรมที่ชั่วร้ายท่านอบีก็สาปแช่งท่านอบีก็ดูอาให้ร้อนลงโทษเหมือนกับตอนของช่วงของสงครามอาเซอบซึ่งชาวร้อนเราจะได้พูดคุยกันเลยพุ่งวันพุน่งนี้ชาวร้อนนะครับผมในช่วงสงครามอาเซอร์บสงครามนี้เป็นสงครามที่มุสลิมไม่มีเวลาพักเลยจนกระทั่งท่านอบีเนี่ยพลาดละหมาดบางเวลาไปละหมาดอาัสซัท่านไม่ได้ละหมาดเข้าเวลามะ ก, กิดซึ่งมันเลยเวลาไปแล้วมันรวมไม่ได้อัสซีถ้าจะรวมต้องรวมกับดูรี มักริบถ้าจะรวมต้องรวมกับอิชาต์แต่อนอัสลีมันผ่านผลไปแล้วท่านอบราฮิมส์ลมบอกว่าไงครับอัลลอ์ขอพระองค์ทรงลงโทษทรงทำลายพวกนี้ด้วยมันทำให้พวกเราพลาดจากการละหมาดอัลบุสตออัสุลตุบุสลอซึ่งข้อร้องสั่งวัในก่อนว่าไงครับฮาฟิดูอัลซอลาเวตีวัสซอลาติลุสตอพวกท่านจงรักษาการละหมาดโดยเฉพาะการละหมาดที่อยู่ตรงกลางคือละหมาตอัสลี แปลว่ามีครับถ้าเกิดว่าใครที่คู่ควรทําพฤติกรรมที่คู่ควรต้องถูกการสาปแช่งท่านอบีก็สาปแช่งแต่ว่าเป็นเคสที่น้อยมากเป็นเคสที่น้อยของน้อยแล้วมันไม่ได้เปลี่ยนตัวตนที่ท่านนั้นเป็นคนที่มีความสุขุมเป็นคนที่มีความอดทนเป็นผู้ที่มีความเมตตาท่านจะโกรธเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวพันกับสิทธิของอัลลอฮ์แล้วในเรื่องที่คู่ควรเท่านั้นครับ ขอพักยกมาทักทายพี่น้องก่อนที่เราจะไปต่อนะครับวันนี้อาจจะไม่ได้ทักพี่น้องเท่าไหร่นะครับผมเมื่อกี้คุณลักษณะกับพี่สันมาเราคุยกันไปแล้วนะครับผมคุณไอ้แชครับบอกก็ทำได้รับภาพเสียงชัดเจนบารักลอลฟีกุมแล้วก็พี่วันนีนะครับจากกราม59นะครับผมภาพเสียงชัดเจนบารักลอลฟีกุ ม, ค, มคุณยะยาทัดระเบียบนะครับชัดเจน แล้วก็ถามว่าสบายดีไหมก็ อ, อัลฮัมดีแล้วเจาซักมุลคอนสบายดีแล้วก็ขอร้องให้พวกเราทุกคนมีสุขภาพพลานามัยที่ดีที่สุดในการทําอิบาราเพื่ออรอครับผมคุณนายฟาติมา น, นะครับสลามมานุ่มจอกชัดเจนวันกุสซรามอัลตรอบอเบกาตูแล้วก็อิหมามนะครับอาจารย์ศิษสันคําแดงอับดุลการีมนะครับผมอันนี้ก็เป็นเป็นเกืบทุกอย่างนะครับเป็นเพื่อนรักเป็นรุ่นพี่เป็นรุ่นน้องเป็น ทุกอย่างที่เป็นก็สละ ม, มาก็บริคุณสละมรติรู้ว่าบารัก า, มมากตู้คุณดาดาฟรีดาทำดีแล้วอลรรัลรทำดีแล้วครับผมคุณสรนีนะครับบอกว่ากำลังรับฟังอยู่จากภูเก็ตแล้วก็คุณโรสนิดาอะรทำดีแล้วก็มาชาว ล, ล้อครับผมทำดีแล้วครับคุณอามินะมรีวันอ่ะครับสลา ม, มากรุสลมรตลรู้ว่าบารัก า, มมากตูมีโอกาสก็ฝากสลมอาจารย์สมบัติด้วยนะครับผม คุณสิริพรนะครับบอกสลามาวารีคุณสลามอัะตัวบอวาร์กาตัวเช่นเดียวกับคุณอาซ้งนะครับบอกว่าซอยครัวคุณอาตอนนี้กลับมาอยู่เชียงใหม่แล้วนะครับบอกว่ารับชมอยู่เช่นเดียวกับคุณณสัยาดนะครับสลามเต็มมาเลยเข้าวารีคุณสลามอัลตัวบอวาร์กาตัวแล้วก็พี่สาวสุธิรักษ์นะครับป้าล่าสลามาวารีคุณสลามเช่นเดียวกับคุณหมออัดแพทย์แผนไทยครับสลามอาจารย์สุธิรักษ์เข้าวารีคุณสลามอัลตัวบอวาร์กาตัวแคุณหมอสุธิรักษ์ครับเป็นครอบครัวที่น่ารักครับผมแล้วก็เรื่ออองงรรรักกษาาเื่ะไ็ตม แพทย์แนวแผนไทยนะครับผมมาปรึกษาได้ครับผมจัสอากุมลอคารัครับผมบารักอัลฟิคุมแต่นี้พี่น้องเรามาดูตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหน้าบริษัทถึงการพูดดีแล้วมันส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่หลวงกว่าที่เราคิดบางทีไม่ใช่แค่เปลี่ยนใจคนคนหนึ่งบางทีมันอาจจะเปลี่ยนเมืองทั้งเมืองหรือบางทีเปลี่ยนโลกทั้งโลกเลยก็ได้เพราะนั้นอย่าได้ถูกเรื่องการพูดดีตัวอย่างที่อยากจะยกครับ หนในตัวอย่างนั้นก็คือตัวอย่างของท่านมุสซาบินูเมตรอโรยโลอันหูครับพี่น้องที่รักอย่างที่เพื่อเราทราบก็คือท่านมุสซาบถือว่าเป็นนักการทูตคนแรกของอิสลามหลังจากที่ท่านอบีมัสลองอิสลามนั้นได้พูดคุยกับชาวมาดีนะที่มาทำฮัจจ์แล้วก็มาเข้ารับอิสลามก่อนที่ท่านบีจะออกพยพท่านอบีได้ส่งท่านมุสอับไปเพื่อที่จะไปให้ความรู้กับชาวมาดีนะแล้วก็ไปดา่าวะด้วยไปด่าวาอิสลามด้วยเพราะตอนนี้มุสลิมคนที่เป็นมุสลิมที่มาดีนะก็ยังไม่ได้มากอะไร ท่านรู้จักบิลูเมสอะครับผมตอนที่ท่านไปถึงบดีนะท่านก็ได้ทําการเรียกร้องเรียกร้องไปตามกลุ่มชนต่างๆไปตามเผ่าต่างๆที่ศรัทธาแล้วก็สอนให้เขารู้เกี่ยวกับอกุรอานที่ว่ายังไม่ศรัทธาก็พยายามดาว่พยายามเฉลิมฉว น, วนซึ่งก็มีกลุ่มคนที่คขารับอิสลามเป็นจํานวนมากเป็นจํานวนมากมายครับผมทีนี้ครับหนึ่งในหัวหน้าของแต่ละเผ่าเนี่ยก็ไม่ค่อยพอใจไม่พอใจหนึ่งหนึ่งนึงก็คือใครครับ เดี๋ยวอกกันท่านมุสซับไปกับท่านอัสสัดบินซุรอร์เนาะนี่คือคนประจำพื้นที่เนาะคนท้องถิ่นที่ว่าไปด้วยกันไปเจอท่านอุเซตบินฮูเดรตท่านอุเซตบินฮูเดรตนะครับผมพอเจอเห็นท่านมุสซับกำลังดาว่าอยู่ไม่พอใจเลยครับเป็นระดับหัวหน้าด้วยนะครับอุเซตก็ไปหาแล้วก็บอกเนี่ยพวกคุณมาทําอะไรกันมาทําให้คนของเราทําให้คนโง่ของกเราหลงไปด้วยกับคุณ ถ้าคิดอะไรไม่ดีนะรีบกลับไปเลยมาจากทางไหนกลับไปทางนั้นเลยพูดประมาณนั้นคือรับไม่ได้พี่น้องที่ละครับควรทำยังไงดีอ่ะเราพูดกันมาขนาดนี้แล้วควรจะตอบโต้อย่างไงดีท่านมุสอับินอเมีรครับไม่ได้โกรธเคืองไม่ได้เกลียดไม่ได้อะไรไม่ได้ลมขึ้นไม่ได้อะไรเลยโดนชี้หน้าดา่าโดนไล่อย่างนี้ท่านมุสอบพูดเรียบเรีย บ, รยบครับพูดเรียบเรียบบอกว่าคุณนั่งก่อนไหม แล้วก็ลองฟังดูว่าผมพูดอะไรแล้วคุณค่อยตัดสินว่ามันเป็นสิ่งที่คุณชอบหรือคุณไม่ชอบถ้าคุณไม่ชอบโอเคผมจะออกไปจากตรงนี้เพราะเขาเป็นหัวหน้าเผ่าอยู่ตรงนี้ถ้าคุณไม่ชอบคุณใช่ไปเราก็ไปก็คือไม่ได้มาร้ายนครับไม่ได้จะมาทำร้ายอะไรใครอุเซฟพอได้ยินปุ๊บก็เออก็ลุกผู้ชายเหมือนกันเนี่ย ดูแทาไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าเลอะแหละหรือว่ามีเจตนาร้ายมีอะไรก็คืออย่างนั้นก็มีแสดงความเป็นลูกผู้ชายก็ลูกผู้ชายเหมือนกันเขาก็นั่งเลยครับก็บอกเอาพูดมาอะไรที่คุณพูดให้คนอื่นหลงเชื่อคุณจะพูดหมท่านมุสอาบครับก็เริ่มทำการพูดคุยกับเขาเรื่งอิสลาม ว่าอิสลามสอนอะไรบ้างสอนในเรื่องของการเชื่อมสัมพันธ์เคือญาสอนในเรื่องของการให้สิทธิสอนในเรื่องของการละทิ้งการกราบไหว้สิ่งถูกสร้างไปกราบไหว้ผู้สร้างแล้วก็สอนสอนสอนสอ น, สอนท่านมุสาวไปดูเมตระครับพูดพูดพูดพูดพู ด, พดท่านมุสาวอ่านยากุรนันแล้วก็ดาวะพี่น้องที่รักครับผม คนที่อยู่บริเวณนั้นน่ะเขาบอกว่าพอดูหน้าปุ๊บพอดูหน้าอุเซตปุ๊บเขาบอกว่าใบหน้าของอุเซตน่ะเปลี่ยนไปเลยคือไม่เหมือนหน้าตอนมาคือหน้าตอนมานี่มาแบบโกรธมาแบบขียเรมาแบบโมโหมาแบบว่ามันต้องมีเลือกตกยังออกหรือตายกันไปข้างหนึง่งแต่ตอนนี้คือเป็นใบหน้าที่ว่าเหมือนกับคนที่ إ ي م านเข้าไปถึงหัวใจเขาเหมือนคนที่เข้าไปถึงหัวใจเรียบร้อยแล้วอุเซ บ, บอกว่าไงครับมาอะชนาห์เดอะะอัมะละหู ช่างเป็นสิ่งที่งดงามอะไรอย่างนี้เปลี่ยนไปเลยพี่น้องยามุสัปปิตาลกูรุปสปิตกูรูบินะอะไรก็รอะไรดีนิกชิเตนบีมัสลัมขอด้วยเป็นประจำเพราะก็คือผู้ที่พลิกผันหัวใจคนจากที่เกลียดกันมารักกันแล้วก็แน่นอนจากคนที่รักกันก็สามารถเกลียดกันได้ถ้าไม่ได้รักเพื่อหรอกเกลียดเพื่อหรอกผลสุดท้ายเข้ารับอิสลามเลยครับพอเขารับอิสลามเสร็จปุ๊บทีนี้ท่านซาบินมูอาสมาบ้างซาบินมูอาสมาก็ มาอารมณ์ประมาณเดียวกันเลยคือมาแบบโกรธมาแบบฉันต้องปกป้องคนของฉันคนของฉันกําลังมีคนแปลกหน้ามาทําให้เสียพูดเสียคนทําให้เกิดความแตกแยกไอ้พวกนี้มันเป็นพวกหัวรุนแรงหรือเปล่ามาสร้างความรุนแรงเลยหรือเปล่ามาด้วยความโกรธครับมาปุ๊บเหมือนกันท่านมุสซา พ, พูดเหมือนกันเลยบอกว่าท่านนั่งก่อนไหมแล้วก็ลองฟังดูว่าผมพูดอะไรแล้วท่านก็คิดเอาตัดสินเอาว่าที่ผมพูดมามันเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายใช่ไหมเป็นสิ่งที่เลวร้ายใช่ไหมลองฟังก่อนเนื่อนครับ ทาซาบินมะมัวอัสก็ต้องมั่นใจในตัวเองบอกว่าไม่น่าจะโดนหลอกอะไรได้ก็บอกว่าเอ้ามีอะไรพูดมาว่ามาท่านวุสบินูเมตก็ทําการด่าว่าต่อก็พูดถึงคําสอนอิสลามพูดถึงความงดงามแล้วก็บอกให้รู้ถึงความป่าเถื่อนของยุคจาฮิริยะว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้มันเลวร้ายแค่ไหนทานซาบินมะมัอัสได้ยินปุ๊ ก, ก็ตอบรับอิสลามทั้งคู่เข้ารับอิสลามแล้วก็เป็นต้นเหตุให้คนแทบจะทั้งเผ่าเข้ารับอิสลามหมดเลย ด้วยกับความอดทนของท่านมุสอับแน่นอนครับทั้งหมดนั้นมาจากความเมตตาของวะแต่สื่อที่ทําให้เกิดความสําเร็จตรงนี้ก็คือด้วยกับความอดทนรู้ว่าตัวเองนั้นถูกต้องแต่ว่าในขณะเดีวยวกันไม่ตอบโต้สิ่งที่ชั่วร้ายด้วยกับสิ่งที่ชั่วร้ายเหมือนกันพี่น้องที่รักถ้าจากเรื่องตรงเนี้ยพี่น้องจะเข้าใจยักุ์กลานมากขึ้นที่พ่อเล่ากล่าวในกุลานว่าว่าเรุนต่ฟ้อนกอลีสกลบกบีแล้วฟัดดูมินฮาวิกฟะฟูอันหุม เวสตกิทลฮุมเวชาวิฟุมฟิลัมอายุการานอายานี้พี่น้องบางคนอาจจะแปลกใจอาจจะไม่เข้าใจบางประเด็นไม่เข้าใจแต่ถ้าเราเทียบกับเรื่องราวของท่านมุสอับมันจะชัดเจนขึ้นฟูร์ล้อกล่าวไงครับหากว่าเจ้าเป็นคนที่มีมารยาทที่สามแล้วก็มีหัวใจที่หยาบชา้าหยาบกระด้างเป็นคนหยาบว่าอย่างนี้เถอะครับพูดอะไรก็ดามีตัวตนที่ไม่ดีฟูร์ลอบอกว่าหากเจ้าเป็นอย่างนั้นนะมุฮัมมัด เรฟัดดูมินฮาวลีใครก็ตามที่จะมาฟังเจ้าเนี่ยเขาตะเลิดไปหมดแหละเขาไม่อยู่ฟังหรอกพระรับอกไงครับฟะฟูอันหุมชงให้อภัยเขาซูพานัลละก็คือเขาเป็นคนผิดไงเขาไม่รู้ไงบางทีเขาอาจจะทำมารยาฐามมาทีเขาอาจจะทำสิ่งที่ไม่ดีเราอาจจหยิบสิ่งแล้วอยากเจ้าสิ่งดีๆไปยื่นให้กับเขาแต่เขามารยาฐามใสเราบางทีไม่ใช่เพราะเขาสามบางทีเพราะเขาไม่เข้าใจเพราะเขาไม่รู้ บางทีเขาเข้าใจผิดเป็นไปได้หมดเลยบางทียุคนี้สมัยนี้เรารีบเย็ดเย็ดกันเลยเพราะเขาเป็นคนเลวเพราะเขาเป็นคนชั่วเพราะเขาเป็นอย่างนั้นเพราะเขาเป็นอย่างนี้บางทีแค่เขามิเข้าใจพระลอสบอกไงครับฟ้าฝูอันหุมให้อภัยเขาวัสเซอร์ฟิสลาหุ่มขอให้อลลอฮ์ยกโทษให้กับเขาหมายความว่าไงครับมั่นใจว่าเขาทำผิดแต่พระลอสบอกว่าอย่าเป็นคนอยาบกรกะด้าง อย่าเป็นคนที่หัวใจแข็งกระด้างแล้วมีพฤติกรรมที่ต่ำทรามเพราะมันจะทําให้คนหายไปหมดฟะฟูอันหุมให้กับใคเขาอย่าไปถือสาพวกเขาที่เขามาเขาไม่เข้าใจเวสซัฟิตรหุมขออัลลอฮ์ให้ยกโทษให้กับเขาถ้าเราขอให้อลัลลอฮ์ยกโทษให้กับเขาอลัลลอฮ์ก็จะยกโทษให้กับเราด้วยเวชาวิทหุมฟิลัมมีอะไรก็คุยกันปรึกษาหารือในเรื่องกิจการต่างๆนี่คือคําสอนอิสลามครับ งดงามแล้วเราจะเห็นว่าจากเรื่องราวเนี่ยชัดเจนไหมตัวอย่างที่ว่าการทําตอบโต้สิ่งที่ไม่ดีด้วยกับการพูดดีหรือว่าการทําดีผลทําให้อะไรครับคนเข้ารับอิสลามไม่ใช่แค่คนสองคนแต่เป็นจํานวนไม่น้อยเลยคําพูดที่ดีสามารถเปลี่ยนได้ผมเคยเจอพี่น้องบางท่านบอกเนี่ยที่ฉันเข้าใจอิสลามเข้าใจสุ น, นพรานจน์เจอด่าเจอมารยา่ไม่ดีมาเพราะนั้นมันจะต้องเป็นรูปแบบที่ถูกต้อง พี่น้องมันค้านกับกุรานถ้ามันทําให้พี่น้องไดฮยายีดายะเพราะเป็นรูปแบบนั้นนะขอให้รู้ว่ามันค้านกับกุรานแล้วมันปลูกฝังความเข้าใจผิดให้กับพี่น้องแล้วไม่ใช่ไม่ใช่นี่คือคําพูดของอัลลอฮ์นี่คือคําพูดของพู้อัลลอฮ์อย่าเอาคําพูดของมนุษย์แน่ไหนต่อให้เป็นอาจารย์ที่เรารักแค่ไหนก็ตามมาหักล้างกับคําพูดของอัลลอฮ์บางคนอยากบอกแต่งั้นแต่งั้นมันช่วยนี่มันเรียนนี่ไม่ๆคนเอาตัวเองให้ดีก่อน ดูตัวเองใจตัวเองให้ดีก่อนแล้วก็พยายามเลือกรู้แบบที่ดีที่สุดบางช่วงมันต้องแข็งต้องแข็งคําสอนอิสลามสอนไว้แต่ว่าส่วนใหญ่มารยาทเป็นยังไงมันต้องเป็นแบบนั้นครับวอลลอห์ตาละอาลัมนะครับผมอันนั้นคือเรื่องราวของท่านมุสสาอินูมเม็ศพี่น้องที่รักครับมีอีกเขตอีกเขตุการหนึ่งครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในกลุ่มลูกหลานของท่านอบับดุลโมสสัลลอห์ของอิสลามความกระทบกระทั่งสิ่งนี้แสดงให้รู้ที่ผมยกแม่ อย่าลืมว่าสําหรับมุสลิมเราเร า, เรารักท่านอบีเรารักลูกหลานของท่านอบีมุสลลัลของอะลัยซัลลัมทุกท่านที่ว่าเป็นมุสลิมที่ว่าเป็นผู้ศรัทธาเรารักทุกคนเหตุการณ์ที่จะมายกนี้คือเป็นอุทาหรณ์เป็นเรื่องความเข้าใจที่ผิดที่มันมีซึ่งมันก็จบแบบเพรเียงดิง่งไม่ได้มีเจตนาไม่ดีใดๆย้านะครับผมครับมีครั้งหนึ่งครับผมท่านอาลีบินฮุเซนลูกของท่านฮุเซนชื่อว่าอาลีครับท่านฮัสซันบินฮัสซัน ท่านโฮเซนกับท่านฮัสซันเป็นพี่น้องกันทั้งคู่มีหนึ่งในลูกชายที่ทั้งคู่มีก็ถือเป็นลูกพี่ลูกน้องกันท่านอาลีกับท่านฮัสซันเนี่ยที่ว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องมีศักดิ์เป็นเหลนนบีและมีศักดิ์เป็นเหลนท่านนาบีมัสลิมรอนอิสลามแล้วมีช่วงหนึ่งของชีวิตที่ว่าเหมือนกับว่ากระทบกระทักก่งกันแล้วเข้าใจผิดกันพี่น้อง ธรรมชาติของคนเมื่อเข้าใจผิดบางทีพอเราไปอยู่ในกลุ่มชนไหนบางทีเราก็เจอาเรื่องของคนนั้นไปพูดมันเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นแต่มันเป็นสิ่งที่ผิดอันนี้ที่เราต้องรู้มันคือสิ่งที่ผิดอะไรผิดเราก็บอกว่าผิดเพราะเข้าใจผิดครับก็คือก็มีการเอาเรื่องที่ไม่ดีของต่างฝ่ายต่างพูดเนี่ยมีครั้งหนึ่งครับทั้งท่านอาลีแล้วก็ทั้งท่านฮัสซันเนี่ยอยู่ใกล้ๆกันที่มัสยิดก็คือมีเรื่องขัดใจกันอยู่นี่แหละแล้วก็อยู่นั่นกับคนละกลุ่ม ทนี้ครับผมท่านฮัสซันเนี่ยก็พูดฮัซันบินฮัสซันนะครับก็พูดถึงท่าน阿里ในด้านที่เขาเข้าใจผิดบอกเนี่ย阿里เนี่ยทำอย่างนี้นั้นเป็นพฤติกรรมที่ไม่ถูกเนี่ยทอย่างนั้นทำอย่างงี้ น, นี่จริงมันต้องเป็นอย่างงี้จริงต้องเป็นอย่างงี้พูดด้วยความรู้สึกที่แบบว่าไม่พอใจซึ่งท่านอาลีก็ฟังอยู่ก็ได้ยินท่าน阿里ก็นิ่งเงียบฟังเฉยเฉยไม่ได้พูดอะไร ทีนี้พอจบแยกย้ายกันไปท่านอาลีตามท่านอาสันไปท่านอาลีบินฮุเซนนะตามท่านอาสันไปตามไปที่บ้านไปเคาะประตูอ่ะพี่น้องว่าคนรจะคุยอะไรสําหรับท่านที่พูดคุยกันมาถึงตรงนี้แล้วคิดว่าสองท่านนี้จะคุยอะไรกันคิดว่าสองท่านนี้จะคุยอะไรกันพี่น้องที่แักยิ่งครับท่านอาลีเคาะประตูบ้านท่านอาสันพอเคาะประตูเสร็จปุ๊บบอกว่าไงครับท่านอาสัน วันนี้ที่ท่านพูดทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องที่ไม่ดีของฉันเกี่ยวกับเรื่องที่ไม่ดีของฉันถ้ามันเป็นความจริงขอให้อลลอฮฺยกโทษให้กับฉันสุบฮานอัลลอฮฺไม่ใช่ตามไปด่าไม่ใช่เอาอารมณ์ขึ้นมาหน้าแต่พูดอย่างนี้แหละหากที่คุณพูดจริงเน่ะถ้าฉันเลวถ้าฉันไม่ดีเริงจริงฉันขอให้อลลอยกโทษให้กับฉันแต่ถ้าหากที่คุณพูดไม่จริงอภินังช่วยเติมคำหน่อย ถ้าหากที่คุณพูดเนี่ยมันไม่เป็นความจริงถ้าคุณใส่ร้ายฉันถ้าคุณเข้าใจผิดแล้วไปว่าไปทําร้ายเกยียรติยศกับฉันขออัลลอฮ์ให้อภัยคุณสบานะล่ะคือถ้าที่คุณพูดเป็นความจริงขอเรายกโทษ้วยกับฉันแต่ถ้ามันไม่ใช่ความจริงขอเรายกโทษให้กับคุณวัสซลามอัยริคุบารับตุลลาบอ่าาลกัตตัวแล้วก็ให้สลามแล้วก็แค่นี้แล้วก็จบพี่น้องที่รักยิ่งครับท่านอาซานรีบวิ่งตามมา ร้องห่มร้องไห้เสียใจเพราะถ้าเราเป็นผู้ศรัทธาเป็นผู้ศรัทธาด้วยกันทั้งคู่แต่บางทีระหว่างผู้ศรัทธาผู้ศรัทธามันก็มีเรื่องเข้าใจผิดมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ตอนเนี่ยพอได้ยินพอเจอคําพูดที่ดีเจออักขลาศที่ดีท่านซันมาร้องห่มร้องไห้แล้วก็บอกว่าขอสบายต่อเหรนับจากนี้เป็นต้นไปฉันจะไม่พูดอะไรที่ทําให้เธอไม่สบายใจอีกฉันจะไม่พูดอะไรที่ทําร้ายจิตใจของเธออีก ฟาอัลและฟาเบย์นาคูลูบิคุมพอะลอสประกาวในกุารานเขาว่าพระลอสนั้นเป็นผู้ที่ทำให้หัวใจของพวกเรานั้นมาผูกพันสมัครสมันรักใคร่กันต่อให้พวกเจ้าเอาทรัพย์สินหมดพื้นแผ่นดินมาจ่ายเจ้าก็ไม่สามารถทำให้คนรักกันได้พี่น้องครับเรื่องของความรักเนี่ยพระลอสพูดถึงสิ่งที่เป็นไปไม่ได้มากมายเลยการที่ชายคนสองคนรักกันรพระลอสบอกว่าต่อให้เจ้าเอาทรัพย์สินหมดพื้นแผ่นดินอันนี้เป็นไปไม่ได้ เป็นไปไม่ได้ที่เราจะไปหาทรัพย์สินมาทั้งแผน่นดินถูกไหมครับหนึ่งความเป็นไปเป็นหนึ่งความเป็นไปไม่ได้ต่อให้เจ้าเอาทรัพย์สินมาหมดขื้นแผ่นดินแล้วก็ทุ่มให้กับคู่คู่หนึ่งให้เขารักกันเอาทรัพย์สินทั้งหมดมาทุ่มให้กับคู่คู่เดียวมันก็เป็นไปไม่ได้ที่สองแล้วเพราะลก่าวว่าเจ้าก็ยังไม่สามารถทาให้คนสองคนรักกันได้นี่คือความเป็นไปไม่ได้อันที่3 คือแค่จะไปหาทรัพย์สินทั้งหมดมามันก็เป็นไปไม่ได้จะเอาทั้งหมดมาทุ่มให้กับคนแค่สองคนมันก็เป็นไปไม่ได้ที่เราจะทำแล้วพวระวะก็บอกว่าต่อให้ทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้สองอย่างนี้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ที่สามก็คือเจ้าก็ไม่สามารถทำให้คนสองคนรักกันนอกจากด้วยความเมตตาขอร้องนอกจากด้วยการที่ว่าเราทำตามแบบอย่างของรอหลังจากนั้นก็ฮาซุ น, นัลลอฮวนเนามัลวะกินท่านเบียรมุสลิมบอกว่า หนึ่งในบุคคลที่ว่ารักมากที่สุดก็คือบุคคลที่ว่าเขาถูกเครือญาติตัดขาดแล้วเขาก็พยายามไปเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาตไม่เกี่ยวว่าเขาจะถูกจะผิดแต่ว่าความสัมพันธ์ฉันเครือญาตมันสําคัญกว่าสําหรับเขาเพระท่านอาบีอัสซัยสระบอกว่าพวเพราะว่ผู้ทรงสูงทรงได้กล่าวไว้ว่าข้าให้เครือญาตใช้ชื่อเดียวกับขา้าใครตัดขาดเครือญาติเท่ากับเขาตัดขาดข้าใครเชื่อมต่อเครือญาตเท่ากับเขาเชื่อมต่อกับขา้า เธอเป็พูดที่ดีนี่คือผลที่ตามมาในหน้าประวัติศาสตร์ซึ่งอย่างที่เราดูก็คือผลดีมากมายันนี้คือยกมาแค่สองเคสพี่น้องครับมาดูเคสที่สามมาดูเคสที่สามครับผมก่อนไปเคสที่3ามฮาริสอยากจะขั้นกันในเรื่องของอิมามบุคฮริจะขึ้นมาบุคฮริในหนังสือฮาริสอัลอาดับอัลมุฟรจะขั้นฮานี อันห์ลล่ามืว่ฟะละอันนบีลลัลลอฮุอะลัยวะัลลัมกลาออยชยบนะมาชอลมาแบบหานาบีมาแบบไม่ถามอะไรมากมายถามสั้นๆมีคนคนนึงมาหานาบีแล้วก็ถามนาบีเลว่ายารลอช่วยสอนฉหน่อยถึงอะไรที่จะทาให้ฉันได้สวรรค์ชัวชวอะไรที่มันจะทาให้สวรรค์เป็นวายิบสาหรับฉันได้แน่นอนไม่พลาดแน่นอนไม่ต้องลงนรกก่อนถามเรื่องใหญ่ไหม ในริสบบนี้ครับท่านนบีมูฮัมมัดสลองอลสลัมได้ตอบให้ทำแค่สองอย่างอัลกะบีฮุสนิลกาเมวะบัสิตตามถ้าอยากให้สวรรค์จเป็นสิ่งจำเป็นคือคุณไม่พลาดแน่นอนนะคุณห้ามพลาดสองอย่างนี้การมีอัคลัก์ที่ดีการมีตัวตนมีมารยาทที่ดีแล้วก็การทุ่มเทนในการแจกจ่ายอาหารให้กับผู้คน อย่าลืมครับพี่น้องครับท่านนบีมัสลองอิสลามเวลาเจอใครก็ตามที่มาถามคําถามท่านนบีจะประเมินคนคนนั้นแล้วดูว่าคนคนนั้นที่เขาควรจะทําจริงๆริงมันคืออะไรแล้วก็ตอบไปเพราะนั่นจะพบว่าหลายครั้งคําถามเดียวกันแต่ซาบาคะคนหนึ่งมาถามคหนมาามคหนึ่งมาถามจะได้คําตอบไม่เหมือนกันเหมือนกับมีซาบะอีกท่านหนึ่งมาหาท่านนบีโรแกลัสรุลนละช่วยสั่งเสียอะไรฉันหน่อยอยากได้คําสั่งเสียฉันจะทําให้ได้เลยท่านนบีมัสลองอิสลามบอกเลครับลาตัดดอกคุณอย่าได้โกรธ ซาบ้าฟังดูมันก็แค่เรื่องแค่นี้มันมันมันเหมือนกับแบบก็ก็แค่อยากโกรธคืออยากได้เรื่องอะไรเหมือนก็น ต, ต้องละหมาดทาร์ยุทธ์นะต้องต้องละหมาดนะคืออาจจะคาดหวังอะไรที่ฟังดูอลังการต้องจีฮาร์ตนะต้องอะไรสักอย่างท่านละ บ, บีเมื่อสุรสลัมกับพูดครันี้แหละคุณอยากโกรธซาบ้าก็บอกว่ามีอย่างอื่นไหมครับยารโซล้อสังเสียผมอีกผมอยากได้อีกท่านล บ, บีบอกไงครับคุณอย่าได้โกรธซาบ้าถามครั้งที่สามครับ ถามครั้งที่3บอกผมมีสักอย่างอะไรที่อยากให้ผมทำท่านนบีบอกไย่งครับคุณอย่าได้โกรธแปลว่าความโกรธเป็นปัญหาของซาบาท่านนั้นที่มาถามเท่านั้จะควบคุมมาได้ไม่ดีซึ่งก็เหมือนกับพวกเราน่าจะแทบทุกคนพอเวลาโกรธคือถ้าไม่โกรธมันควบคุมได้เกือบทุกอย่างหลแต่ถ้าโกรธปุ๊บมันก็หลุดมันก็เละน่าจะเป็นปัญหาเกือบจะทุกท่านที่อยู่ในทีนี้ว่าลออาลัมครับ คือหลายๆที่ที่ผมไปพูดคุยเขายอมรับเลยว่าทุกคนเลยเป็นปัญหาหลักของเขาใน เ, เรื่องโกรธแล้วควบคุมไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาท่านอบีตอบก็ตอบตามบุคคลที่มาถามเพราะฉนั้นอะไรคือการงานที่ดีที่สุดสําหรับฉันอาจจะมีคําตอบที่หลายอย่างแต่ทั้งหมดที่ท่านอบีตอบเป็นการงานที่ดีที่สุดจริงๆซึ่งสิ่งที่ดีที่สุดไม่จําเป็นต้องมีอันเดียวเหมือนกับสบันชั้นสูงสุดชั้นฟิดดวดัสก็ไม่ใช่มีสำหรับท่านอับดุลเบียร์มูลัซโอลสลัมท่านเดียวก็มีกับอีกหลาายท่ มีให้กับคนที่มีความอ่อนโยนอ่อนน้อมทำตนเป็นคนที่ว่าสุ ข, ขุมอย่างท่านอบูบักแล้วก็มีให้กับคนที่ห้าวหานเก่งแก่ไม่กลัวใครแบบท่านอุมัตทัทง้ทงๆที่ว่าเหมือนจะเป็นสองคนในลักษณะที่แตกต่างแต่ก็อยู่ด้วยกันได้แต่ก็อยู่ในชั้นฟิสต์ิสเดลส์เหมือนกันด้วยกับความที่ว่าทุกคนนั้นรักอัลลอฮ์และอัลลอฮ์ก็รักเขาแล้วก็ตอบแทนเขาด้วยกับสิ่งที่ดีงามพี่น้องที่รักยิ่งครับ สำหรับใครก็ตามนะที่รักอัลลอฮ์แล้วก็รักระซูลใครก็ตามที่รักอัลลอฮ์แล้วก็รักระซูลสิ่งที่เราต้องทําไม่ได้คือเริ่มที่ตัวเราเองให้กุรอานมาเป็นตัวตนของเราให้ฮะลิสมาเป็นตัวตนของเราไม่ใช่เป็นสิ่งที่เอาไว้สอนเขาหรืออย่างเดียวอย่าเพิ่งไปรีบคิดว่าฉันต้องดาวา่าฉันต้องสอนเอาตัวเองก่อน อะไรกุมอังฟุตสกุมละย่ดุดลูกุมมันดันไหลดะแต่ได้ตุ่มเพราะละาลในกน้กลานว่าถ้าถึงที่สุดนะเอาตัวของพวกเจ้าให้รอดก่อนเพราะคนที่หลงผิดเน่ยเขาทําร้ายอะไรเจ้าไม่ได้แล้วถ้าเจ้าได้ทางนําสยาง่งเริ่มจากตัวเองเอาตัวเองให้ดีสุดเอาตามตาอุลล่าตามรอซูลแหละเอาตามนบีเนี่ยแหละเพรอละกากลในข้อานว่าไงครับลกัดแกเนละกุมฟีรอซูลินไลอุสวาตุนฮัสเซนาตุนลีมัน แค่ในยศของ Allah และยามลอารบ a l l a สอบอที่เ็พวก บ, บอกใครก็าตามนาที่ว่าลำเลึกเสอลอมากรมงคิดถึงอลอล า, ากระมังเป็นผู้ศรัทธายอมเกงต่ อ, อลอลแล้วหวังความเมตตาจากอลอลหวังสิ่งดีๆจะเกิดกับเขาในวันเกียร์มะพวกเราบอกว่าไงครับในตัวของศาสนาทูตของอลอลนั้นมีแบบอย่างที่ดีงามอยู่ให้ทำตามท่านสเหมือนกับที่เราเรียกร้องกีตาบุลละเรียกร้องส ย้ำก่อนจะเรียกร้องทำมันให้ได้ก่อนทำมันเป็นแบบอย่างก่อนท่านอบีตอบโต้กับแต่ละอย่างยังไงพยายามตอบโต้แบบนั้นพยายามอย่าให้อารมณ์มันมานำอย่าให้อารมณ์อารมณ์มาอยู่เหนืออัลฮักของอัลลอฮ์อย่าให้อารมณ์า ม, มาอยู่เหนื อ, อกุรอานอย่าให้อารมณ์ม า, เ ห, า, หามเหลือเหนือฮะดิษบางทีเราคุยเรื่องศาสนาเอาของดีๆไปพูดแต่พออารมณ์โกรธมาเขาดา่าเขาอะไรก็ตามแต่เราเอาความโกรธชักจูงนํากุรอานไปแล้ว พยายามให้เขาได้เจ็บให้เขาได้อับอายให้เขาอะไรก็ตามแต่แล้วก็แก่แล้กุมฟีรอซู ล, ลินแลอุสวาตุนฮะซานะตุลิมันกนารเยาะเจ้าพ ร, ร, ระเจ้าและยามอัลอาครและ ذكر الله ك ث ي นั้นการลงมือมันยากกว่าการสอนการลงมือมันยากกว่าการพูดให้กุรอานให้ลิสอยู่กับตัวเราให้เราเป็นบุคคลที่มีอัคลากดีที่สุดนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสาหรับพวกเราทุกคนครับผม พี่น้องที่รักยิ่งครับก็เวลามันก็ได้ได้เก็บเวลาแล้วนะครับผมเรายังคงอยู่ในเรื่องของการพูดดีนะครับผมก็ขอมาพี่น้องทุกท่านอีกครั้งนะครับถ้าเกิดว่ารู้สึกว่ามันมันมันอยู่ตรง น, นี้นานไปแต่สังคมเราผมมองว่าเราต้องการสิ่งนี้กันเยอะมากต้องการสิ่งนี้กันจริงๆโดยเพราะคนที่ว่ารักก็ล้อรักกระสุนเราอยากจะทําให้พวงอล้อรักมาก นี่คือสิ่งที่สำคัญจริงๆที่เราจะต้องทำกันให้ได้แล้วก็อินชาอัลล์มันจะเป็นเหตุผลที่ทำให้อัลลอ์รักเมตตาเราแล้วก็ให้ไปโทษกับเรามันลายธรรั้ลายัรรัมใครก็ตามที่ไม่รู้จักเมตตาผู้อื่นเขา ก็จะไม่ได้รับความเมตตาครับผมกับคุณแพลวพักดีนะครับที่เข้ามาสลามที่หลังก็ไวติคุณสละมวบรอมตุลลอฮฺบะบาลกาตูครับพี่น้องที่รักยิ่งครับขอดี๋ยวาจากโฮลัสสุภา ห, หนัวตายแล้วเรขอดี๋ยต่อพงด้วยกับการที่ว่าเรานั้นพยายามเป็นบ่าวที่พระอค์รับด้วยกับการที่เรานั้นได้ยืนยันได้กล่าวกอริมัชชาฮะดาว่าไม่มีพระเจ้าอันใดนอกจากพระองค์เพียงผู้เดียวเท่านั้นไม่มีคู่เพียงไม่มีฉนิก ไม่มีหุ้นส่วนสำหรับพวกลาทุบหาหตาราผู้ทรงมีเพียงหนึ่งเดียวผู้เป็นที่พึ่งผู้ที่ไม่บังเกิดแล้วก็ผู้ที่ไม่ได้ถูกให้กาเนิดมาแล้วขอด้วาต่อพระองค์ครับให้โปรดให้กรุรานเนี่ยเป็น สิ่งที่งดงามเป็นสิ่งที่สบายใจสําหรับหัวใจของเราปวดใจถ้ให้อัลกุรอานนั้นเป็นสิ่งที่เราฟังรู้สึกเครียดรู้สึกแย่รู้สึกท้อทําให้ความโกรธมันมากขึ้นขอให้กุรอานนั้นทําให้ใจของเราสงบขอให้อัลกุรอานนั้นเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้รับทางนําขอให้เราได้รับประโยชน์จากอัลกุรอานนั้นอย่างเต็มที่แล้วก็ขอให้อัลกุรอานนั้นมาเป็นอัคลักมาเป็นส่วนหนึ่งในตัวตนของเราเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วก็ขอด้วยจากพกระลอสครับสิ่งที่สําคัญอีกสิ่งหนึ่งก็คือยาลอสปวดให้้้เรรรานนััไดพะองค์ แล้วก็โปรดให้เรานั้นได้รับการงานใดก็ตามที่จะทําให้พงษนั้นรักเราแล้วก็ขอให้เรานั้นรักกลุ่มชนใดก็ตามที่เขารักพงษ์แล้วพระองค์กรักเขาขอให้เราเห็นสิ่งที่ผิดว่ามันผิดให้เราออกห่างเก็บมันได้ให้เราทิ้งมันได้ถ้าเราทําไปขอเรายกโทษให้กับเราขอให้เราเห็นสิ่งที่ถูกว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องจริงๆแล้วให้เรามีความรักที่จะทํามันให้เรามีความสามารถที่จะทํามันแล้วก็ขอให้เราทํามันได้โดยหวังความรักความเมตตาจากอัลลอฮฺอัลลอฮฺขอให้สิ่งดีีีงงงงาาาาาาานนนนนททท่่่่เเรรํัั้มมออยูใตชข เพระวปรปดจะได้ให้ละทิ้งคนป่วยไข้ในหมู่พวกเรานอกจากพวกนั้นจะให้การรักษาแก่เขาโปรปดจะละทิ้งคนที่ไม่สบายในหมู่พวกเรานอกจากพวกนั้นจะต้องรักษาพวกเขาตอบแทนในสิ่งที่เขาสูญเสียไปให้กับสิ่งที่ดีกว่านั้นกับเขาแล้วก็โปวดจะได้ปล่อยใครก็ตามที่มีนิสิยในหมู่ของพวกเรานอกจากจะพยายามเยาะเลาะถ้าเกิดว่าพวกเขามีความพยายามอย่างแท้จริงด้วยกับความรักที่มีต่อลราโปวดให้นีิสัยเหล่านั้นมัน เป็นเรื่องง่ายไดสำหรับเขาให้เขาผ่านผลมันไปได้ใครก็ตามที่กาลังทุกข์เศร้าขอให้เขามีหัวใจที่มั่นคงมีความเข้มแข็งพอที่จะผ่านบททดสอบต่างๆไปได้ใครก็ตามที่ถูกทดสอบด้วยความสุขก็อย่าให้ความสุขนั้นเป็นเหตุดึงเขาให้ตกต่ำขอให้ลูกหลานแล้วก็ทรัพย์สินอย่าได้เป็นฟิตนสที่ทาให้เราเสียคน อย่าให้ลูกหลานทรัพย์สินแล้วก็ครอบครัวหรือว่าใครก็ตามแต่เป็นเหตุที่ทําให้เราเสียคนแต่ว่าขอให้สิ่งเหล่านั้นเป็นสาเหตุที่ทําให้อมานะของเรานั้นสมบูรณ์ขึ้นแล้วก็ทําให้เรานั้นทําตัวให้อัลลอฮ์รักเรามากยิ่งขึ้นขอให้เราเห็นดุลยาว่ามันอัภยศใหญ่ให้มันมีอิทธิพลเหนือเราจนทําให้เรานั้นละทิ้งเป้าหมายสําคัญของเราคือโลกอาคีรอแล้วก็พี่น้องที่รักยิ่งครับผมจงอดทนเพื่อพระบารสุบฮานว่าตาราชีวิตปัญญานั้นมันสั้นวลอาคีบาตุลิตตะวา บัานปลายนั้นจะเป็นของผู้ที่มีความตักววาแล้วก็ยำเกรงต่อบมลสุภานุตาอะไรอา่าแท้จริงขอละให้สวัสให้พรให้ความสันติ ให้สิ่งที่งงามให้บรกาแก่ท cool ่านนบีมุมอกรวิส li ัลกับครอบครัวของท่านกับวงวานของท่านและกับบุคคลทุกคนที่รักท่านและท่านก็รักบุคคลเหล่านั้นด้วยเถิดอัลลอฮ์มศลีลามุฮัมมัดวะลอลีมุฮัมมัดกตลอิบรอฮมอินกะฮมดุนมาี ق و ل و ا ل ه ذ ا و َ ا س ْ ر ا ل ل ه ل و ْ م و َ ل س ا ئ ِ ل م س ْ ل ِ م ن َ مِنْ ك ل ِّ ذَنبٍ و َ ا س ْ ت َ غ ْ ف ِ ر ُ ا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُور พี่น้องที่รักตัวตนเราปรับเปลี่ยนได้เราสามารถเป็นคนที่ดีกว่านี้ได้อยู่ขอพระล้อให้ความง่ายดายในการที่เรานั้นจะทำตัวให้พรองค์รักได้เถิดอเมนครับซาลามเลกุมวาลัตุลลอห์วาบารากาตุ้ง